ฝึกพุทโธฝึกดูลมหายใจไ่ฟังเพื่อนเนะี่ยทําไปเพื่ออะไรอ่ะ<ม>เราพุทโธทําไมหนระือเราดูลมหายใจเพื่ออะไรให้รู้ตัวเหรอพุทโธแล้วไม่รู้ตัวก็มีนะหายใจแล้วไม่รู้ตัวก็มีมเห็นะหายใจแล้วเคลิ้มเคลิ้มไปส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นดนะ้วย นี่เราแยกๆนิดนึงว่าเราเรียนแบบปัญญาชนเราจะทำอะไรเพื่ออะไรต้องรู้ให้ชัดก่อนเราจะทาการปฏิบัติมันมีสองอย่างนะสมถะกับวิปัสนาแต่อันนี้ไม่พูดถึงเรื่องการทำทานการถือศีลอะไรเนี้ยนะ ม, นมันพื้นฐานอยู่แล้วต้องทำอยู่แล้วนีการปฏิบัติมีสองอางานสมถะกับวิปัสนาสมถานี่เราพยายามไปรู้อะไรอย่างเดียว วัตถุประสงค์ของการไปรู้อะไรอย่างเดียวนะเพื่อให้ใจเราสงบไม่วอกแวกไปที่อื่นสังเกตในใจเราปกติทอบหนีไปเที่ยวนะเดี๋ยวหนีไปตรงโน้นเดี๋ยวนีไปทางนี้รู้ไม่มันหนีไปทางไหนได้บ้างไม่ได้หมดกลยมันตาหรือืมอืมนะเก่งนะอย่างนี้ค่อยน่าเรียนหน่อยบางคนบอกไม่เคยไปเลยรู้ตัวได้ทั้งวันเลยว่าตายแล้ว อย่างนั้นหัดยากใจของเราห น, นีเที่ยวทั้งวันเดี๋ยวหนีไปทางตาไปทางหูรู้จักหนีทางตาไหมเคยแม้แต่เห็นคนเดินมาไกลๆเราดูเขาแล้วเราลืมตัวเราเอางใจเราไปอยู่ที่เขาเนี่ยมันหนีเที่ยวไปทางตานั่งฟังนกร้องนอกตัวน้นรองนอกตันกนกงนี้ร้องเหมอนเฟ้อเราก็เพลินไปเลย หลงไปทางหูนั่งอยู่ดีดๆแค่นั่งใจลอยรู้จักใจลอยไหมเมือเมมอเป็นไหมเมื่อเป็นหมดนั่นหนีทางใจไอ้นี้ทางใจนนทําทได้เยอะนะทําได้หลายแบบไปนั่งเพ่งนั่งพุทโธพุทโธนะสัมมาระหังหายใจเข้าหายใจโอหลงได้เหมือนกันใจเราไปหลงเลื่อนอยู่กันันั้นก็ได้ การหลงทางใจนี่เป็นช่องทางที่กว้างขวางการหลงทางตามันหลงได้อย่างเดียวตาไปดูอะไรแล้วใจไปอยู่ที่นั้นหนะลงทางเสียงั้วใจย่ที่นหูไปหฟังอะไรแล้วใจก็ไปอยู่ที่นั้นหลงทางกายหลงทางจมูกหลงทางลิ้นนานๆหลงทนะีไม่ทานอาหารก็ไม่หลงทางลิ้นหรอกนะอยู่ๆเราก็ไม่ไปอมลิ้นเล่นเนา ะ, นะะรสชาติเป็นยังไงนะไม่ไม่ทาอย่างนั้น ใ, ใจเราวอกแวกวอกแว๊กหนีทั้งวันเราก็เลยมาหัดแพระพิทธเจ้าก็สอนสมถะให้หัดรู้อันเดียวก่อนใจจะได้ไม่วอกแวกหนีเที่ยวการรู้ว่าทางอันเดียวเนี่ยประโยชน์มีสองอย่างจริงๆท่านพูดถึงประโยชน์ไม่หลายอย่างเช่นได้หูทิปตาทิปได้อะไรอย่างนี้นั้นได้ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เราทำไปพุทโธพุทโธไปหายใจไปหายใจไปปัจจัยนม่สุขสนุนใจสงบสบายได้ความสุขเนี่ยสมถะทำแล้วได้ความสุขนี่สมถะชนิดหนึ่งนีสมถะอีกชนิดหนึง่งเนี่ยเราสมมติเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยเราก็ค่อยๆเห็นว่าพุทโธเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยจิตที่รู้พุทโธจิตที่รู้ลมหายใจเนี่ยอยู่ต่างหา อันนี้เป็นการฝึกเพื่อจะแยกฉิตการอารมณ์ออกจากกันว่าอันไหนเป็นอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้นะไม่ใช่อิมูชันนะอารมณ์นี่คือออบเจกติตัวออบเจกตัวจิตเป็นตัวซับเจกตัวรูนะ้นี้หัดแยกพอแยกไปแล้วเราก็คอยสังเกตจากอยางนั้นเราจะเดินมิปัสสนาแล้วเราคอยสังเกตไปอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านไป นะเช่นหายใจเข้าผ่านมาแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าผ่านไปแล้วเกิดหายใจออกแทนมีแต่อารมณ์ผ่านมาผ่านไปความสุขผ่านมาแล้วก็ไปความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ไ ป, ววไปเวลาจิตใจมีความสุขรู้ไหมบางครั้งก็รู้บางครั้งก็อยเพลินไปอืมอยาเพลินตอนนั้นนะอยากทำวิปัสสนาน ง, ง่ายที่สุดเลยนะสมถะทำยาก สมถาทําไมถึงทำยากอ่ะเพราะต้องคอยบังคับใจคอหลอกล่อหนะลอกล่อให้ใจมันรวมเข้ามาที่เดียวเหมือนเราเลี้ยงเด็กเนี้ยสมถาก็คล้ายๆจะพยายามบังคับเด็กที่กาลังโซนอ่ะให้มันนั่งนิ่งๆทั้งวันมันบังคับยากนะต้องมีขนมมาล่อขนมที่มาล่อให้เด็กมันไม่ซุกโซนหรือให้จิตมันไม่ซุกซนก็เช่นพุโทโธลมหายใจแค่ขนมนะ แค่ขนมมาร่อเท่านั้นไม่ให้เด็กซนส่วนวิปัสสนาเนี่สบายกว่าการเด็กอยากซนก็ซนไปสิไม่ใช่ลูกเราไปซ้าไปลูกใครก็ไม่รู้เราเห็นเด็กมันมาซนอยู่หน้าบ้านนะเดี๋ยวมันก็หัวร้อเดี๋ยวมันก็ร้องไห้เดี๋ยวมันมีความสุขเดี๋ยวมันมีความทุกขนะ์เดี๋ยวมันขึ้นต้นไม้ตกลงมาสมน้ําหน้าอยากตะกีดไม่รับวัดระวังเองเนะีนะ่ยมันไม่ต้องทําอะไรงางวิปัสสนาจริงๆเนี่ยฝึก มาอย่างนี้ฝึกเพื่อจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วร่างกายจิตใจของเราเนี่ยเคลื่อนไหวตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่าเข้าไปแทะใจเขาอย่าไปบังคับให้เขานิ่งนะเพราะฉะนั้นอย่างสมถาเนี่ยพอจิตฟุงต้งซ่านต้หาทางแก้ให้สงบนี่ปรัชนาเหรือถ้าจิตฟุ้งซ่าน ร, รู้ว่าฟุ้งซ่านไปแล้วเห็นอีกว่าไอ้ความฟุ้งซ่านไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนเด็กข้างบ้านไม่ใช่ตัวเรา เพราะฉะนั้นมันอยากคุ้งสร้างก็เรื่องของมันเกี่ยวอะไรกับเ ร, เราเราเป็นคนรู้เป็นคนดูไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะเข้าใจความจริงว่าไอ้ทุกอย่างที่มาแล้วไปหมดแล้วไอ้เด็กไม่ว่าจะเด็กเกเรหรือเด็กเรียบร้อยมาเล่นหน้าบ้านเรานะาตกขําถึงเวลามันก็กลับบ้านมันเป็นหมดแลแ้วมันไม่มาอยู่ตลอดเวลาเนี่เราเวลาฝึกวิปัสสนาเราฝึกดูอย่างนี้นอยา่าวิงออกไปยุ่งกับเด็กหน้าบ้านนะ เห็นเด็กคนนี้มาน่ารักยิ่งเอาขนมไปแจกเห็นเด็กคนนี้มาเกลียดมันแอบเอาหินกว้างหัวมันนิพพานาจะไม่เข้าไปแฟกแซงได้หลักไหมอันนี้คือหลักการนะคือวิธีปฏิบัตนะิปฏิบัติแล้วได้อะไรได้ประโยชน์อะไรเราจะได้เห็นความจริงว่าสิ่งที่รวมกันเป็นตัวเราคือร่างกายจิตใจที่รวมเป็นตัวเราเนี่ย จริงเราไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างเราหายใจเข้าเราหายใจออกเนี่ยร่างใจเราวัตถุธาตุที่ประกอบเป็นร่างกายก็เปลี่ยนเป็นบางส่วนแล้วใช่ไหมหายใจเข้าทีหายใจออก ท, ออกทีนี่อยู่คณะแทย์กันวนะ่ามนะันเปลี่ยนทั้งวันเห็นไหมแต่เราหลงผิดเราเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่เอาสมมุติตั้งแต่คลอดก็ได้สมมุติตั้งแต่คลอด วัตถุที่ประกอบเป็นร่างกายเราตอนคลอดออกมาเป็ตอนนี้คนละตัวเลยใช่ไหมไม่มีอันไหนเป็นตัวเดิมสักอันเดียวเลยถ้าเคยอ่านนะว่าเซลล์ที่อายุยืนที่สุดเนะี่ยก็อยู่ได้เก้าปีงั้นเก้าปีนี้กับเก้าปีก่อนยังคนละคนกันไม่มีอะไรซ้ําตัวเดิมเลยแต่มีตัวหนึ่งคือความจำให้ความจําเนี่ยมันหลอกเราว่าเที่ยงเราเป็นคนเกา่า แต่ความจริงเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากระทั่งสิ่งที่ประกอบเป็นร่างกายก็เปลี่ยนตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกก็เปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งล้วมื่อทานอาหารเข้าไปขับถ่ายออกไปก็เปลี่ยนไปอีกหน่อยหนึ่งละแต่ว่าสัญญาเรียกว่าสัญญาวิปัสสนาสัญญาเป็นการหมายรู้ผิดๆอ่ะหมายรู้ว่าตามใจกิเลสตามที่เราไม่รู้ความจริงแล้วก็ว่ามันตัวเดิมมันเที่ยงเราคนนี้กับเราเมื่อเก้าปีก่อนเป็นคนเดียวกัน ทั้งๆที่ความจริงมันไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าจะสอนให้เราหัดสังเกตว่าเราไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรตลอดเวลามีแต่ความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวตนถาวรไม่สัญญาวิปลาไม่ใช่แปลว่าบ้านะสัญญาวิปลาแปลว่าการหมายรู้ผิดผิดหมายรู้ว่าเนี่เที่ยงหมายรู้ว่านี่เป็นสุขหมายรู้ว่านี่เป็นตัวเราตัวตนถาวรไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราเมื่อวานกับเราวันนี้ก็คนเดียวกัน เราวันนี้กับเราพรุ่งนี้ก็คนเดียวกันเราวันนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดียวกันทั้งๆ ท, ที่มันคนละคนกันแต่ว่ามันคาบเกี่ยวต่อนเนื่องกันมาเรื่อยๆมีเหตุปัจจัยโยงกันมาเป็นลูกโซ่มาเรื่อยๆนี่เรียกว่าเรียนธรรมะเรียนความจริงการที่รู้ความจริงอันนี้เรียกว่ารู้ทุกรู้กองทุกคืคอกองสังขารกองของขนันของรูปของนาม ของกายของใจเรียนเรียนเรื่องนี้เรียกว่าเรียนให้รู้จักทุกแล้วเราจะรู้อีกว่าร่างกายจิตใจนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่เมื่อไรเราเข้าไปแทรกแซงความทุกข์อีชนิดหนึ่งจะเกิดขึ้นมาแต่เดิมมีแต่ความทุกข์ทางกายพอเข้าไปแทรกแซงนะความทุกข์ทางใจจะเกิดจเครียดขึ้นมาเอาง่า ย, ายๆ <c oughs> ฝนไม่ตกอาการร้อนหุนหงิด อยากให้ฝนตกเคยเป็นไหมอยากให้ฝนตกแล้วมันไม่ตกโมโหใช้ไหมที่ดากรมอุตุมึงทายยังไงวันนี้ฝนจะตกเห็นตกเลยนะไอ้กรมอุตุนี่เป็นตัวอย่างที่ดีคือเป็นเหยื่อพอฝนตกอ๋อชื่นใจจังเลยไอ้ตกไม่เลิกน้ําจะท่วมจมหาดใหญ่ไมอีกหรือเปล่านะคราวนี้ความสุขหายไปอีกแล้วกลายเป็นความทุกข์แล้วดูฟ้าตลอดนะแฟนนัดไว้ก็ลืมแล้ว ก็ฝึกฟ้าฝนมันตกตลอดนะน้ําจะไหลมันท่วมหาดใหญ่แล้วความสุขหายไปความทุกข์เกิดอยากให้ฝนหยุดเมื่อไหร่จะหยุดสักทีนะเมื่อไหร่จะหยุดยิ่งทุรนทุรายเนี่ยเนี่ยความไม่ฉลาดของเราเราไม่รู้ว่าไอ้ความอยากของเราเป็นเรื่องไรยิงสาฝนจะตกหรือฝนจะไม่ตกฝนจะหยุดหรือไม่หยุดไม่เกี่ยวอะไรกับความอยากเราอยากให้ตกมันก็มีตกหรอกถ้ามันไม่มีเหตุ อยากให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดแต่ถ้ามันไม่มีเหตุเราจะเรียนเพื่อจะดำารงชีวิตอย่างมีเหตุผลด้วยเรียนศาสนาพุทธเนี่ยโอ้โหใครเข้าใจได้นะสามารถดำารงชีวิตอย่างมีเหตุมีผลยังเบื้องต้นเลยเลยไม่ใช่ทำอะไรง ม, มงายเชื่อเชื่อตามเงินไปจะปิดทองรักแล้วดีตังรูปมิมิตรแล้วดีจะดีอะไร ลุงจะดีอะไรนักหนาใส่บาทแล้วจะถูกหวยนะไปไหว้เจ้าพ่อนี้แล้วจะเปียแร์ได้ เ, เรื่องนอนเซ็์ไม่สบายไปไหว้หลวงพ่อแล้วจะหายป่วยไม่สบายก็ต้องไปหาหมอสิไม่เรียนหนังสือมีรายวิชนะจะสอบแล้วก็ ไปไหว้ที่โน้นที่นี่ให้หลวงพ่อให้เจ้าพ่อช่วยให้สอบได้อ้เจ้าพ่อก็ไม่เคยเรียนหนังสือหรอกเนีไปทำข้อสอบก็ตกเหมือนกันนี่เราจะหมดการที่จะใช้ชีวิตอย่างไร้เหตุผลใช้ชีวิตอย่างงมงายนะอย่างนี้ดีอย่างนี้เฮงเทือกษาศีลพัตะาปรา ม, มากพวกนี้จะหมดไป เราก็จะหมดความลังเลสงสัยในศาสนาพุทธเรารู้แล้วศาสนาพุทธเป็นเรื่องของเหตุผลการดำารงชีวิตอย่างสมเหตุสมผลความทุกข์ก็น้อยการดำารงชีวิตอย่างไม่มีเหตุผลทุกก็เยอะไม่สงสัยแล้วจะรู้จักแล้วแล้วก็จะมาเรียนรู้จนกระทั่งเข้าใจความจริงของตัวเราร่างกายจิตใจที่รวมกันเป็นตัวเราเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงหรอกอยู่ชั่วคราวแต่เราไปสาคัญมั่นหมายเอ ว่าเป็นตัวเรามีสัญญาเนี่สักยติที่เราก็จะขาดไปคนที่ทําได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพระโสดานะเรียกเป็นพระโสดาถ้าไปถามพระโสดาว่าท่านเป็นพระโสดาหรือเปล่าผมไม่เห็นมีใครเป็นพระโสดาสักคนเลยเห็นมีใครเป็นพระสกทาคาสักคนเลยเพราะมันไม่มีคนมันมีแต่รูปกรรมนามธรรมไยเรียนไปรู้เอา นั่งคิดเนี่ยนั่งคิดจะเป็นการรู้ไหม <c oughs> นั่งคิดเอาใช่ไหมดูออกไหมว่าเนี่ยนั่งฟังไปคิดไปไ <c oughs> เดี๋ยวก็ฟังด้วยหูฟังหน่อยหนึ่งดูด้วยตาอีกนิดหนึง่งมาคิดทางใจา ย, ยาวยาวๆแล้วก็เดี๋ยวออกมาฟังใหม่เห็นไหมว่าทาสลับไปสลับมาไม่ว่าความรู้สึกของเราหรือเรียกว่าจิตนั่นแหละเก็ดดา เดี๋ยวก็ไปรู้อารมณ์ทางตาไปรู้อารมณ์ทางหูไปรู้อารมณ์มทางใจร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตัวเวทนาคือความสุขความทุกข์ก็เปลี่ยนตลอดเวลานั่งนานๆชัดเมื่อยใช่ไหมรู้สึกไหมเมื่อเมื่อยตอนตั้งใจฟังไม่เมื่อยใช่ไหมแต่ตอนนี้พอไม่ถึงเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วใช่ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ไม่ได้มีความเมื่อยหรือเปล่าไม่ใช่เมื่อกี้ก็มีความเมื่อย แต่ว่าจิตมันรู้อารมณ์ได้อย่างเดียวพอมันมาตั้งใจฟังตั้งใจคิดไม่รู้อารมณ์ทางกายนะมีกายก็เหมือนไม่มีกายนะค่อยหัดเรียนไปเรียนเรื่องตัวของเราเองนะร่างกายจิตใจของเราจิตใจก็ทำงานได้แปลกๆนี่สังเกตไหมตากับหูก็ทำงานไม่พร้อมกันนะ่ะตากับใจใจกับหูก็ทางานไม่พร้อมกันนะสลับกันไปสลับกันมา แสดงให้เห็นว่าจะท่านวิญญาณมาขานจิตก็เกิดดับเกิดดับเดี๋ยวเกิดทางตาเดี๋ยวเกิดทางหูความจําก็เกิดดับเดี๋ยวก็จําเสียงได้เดี๋ยวก็จํารูปได้เดี๋ยวก็จําเนื้อหาได้สลับไปมาสังขารกุศลอกุศลที่เกิดในใจก็เกิดดับอย่างนั่งฟังวางทีก็สงสัยใช่ไหม เมื่อฟังพอมันสงสัยเราก็ไม่รู้ว่าสงสัยเราคิดใหญ่เลยนะคิดใหี่ยนะถ้าอยากทำนี้ปัสนาผสมใส่รู้ว่าสงสัยลงไปเลยก็นะจะเห็นความสงสัยเกิดขึ้นดับไปตั้งอยู่ดับไปความสุขความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังเกตไแม้ใจเราหนีแวบแวบไปเรื่อยคนนี้ไม่ค่อยแวบคนนี้ลงไปคิดไปเรื่อยๆเลยนะคิดอย่างเด็ดเดียว นี่ฮัดรู้สึกตัวอย่างนี้นะอย่าจมอยู่ในโลกของความคิดอย่างเดียวมันก็เหมือนหลงทางตานะนะั่นแหละแต่มันเป็นการหลงทางใจหัดรู้เนื้อรู้ตัวไหมไม่ต้องไปเรียกร้องให้คนอื่นมารู้ใจเรานะหัดรู้ใจตัวเองมีไปคิดว่ารู้เหมืันแวบเนะ่ยมันแว บ, นะ แ, วบแวบทั้งมันอนะ่ะลองดูด ห้ามไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้ฝึกจะอา้ามเห็นไหมไอ้เด็กคนเนี้วิ่งมาวิ่งไปอย่าไปจับมันมามัดไว้หน้าบ้านเรานะจับมามัดไว้เรียกว่าทําสมถะไม่ให้มันไปไหนให้มันอยู่ทั้งวันเห็นไหมมีวิกีคิดแล้วใช่ไหมแง่แบบทางใจอย่าไปพยายามดูมากนะพยายามมากไม่รู้เรื่อง มีลูกศิกษย์อยู่คนหนึ่งเป็นนักพยายามเนี่ยพยายามมาหลายปีแนละ้วความพยายามก็ดีอะนะแต่ธรรมะเนี่ยพยายามแล้วก็จริงๆเบื้องหลังความพยายามคือความอยากรู้ไม่อยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัติปฏิบัติเสร็จแล้วถูกต้องเลยง่ายขนาดนั้นเลยนีไปคิดรู้ไหมแวบหนึ่ง ลพยายามสังเกตอีกแล้วสังเกตแล้วไม่รู้ว่าอะไรรู้ไหมโยแก็วไอ้ตัวเก่ามันดับไปแล้วตัวใหม่ก็คือตัวที่กําลังสังเกตอยู่โยพยายามไปดูของที่มันหายไปแล้วมันก็ไม่เจอหาใหญ่กวานใหญ่ถ้ารู้ว่ากําลังกวานอยู่นี่เจอเลยรู้ลงปัจจุบันให้ได้รู้พฤติกรรมของจิตะในปัจจุบัน แช่คุณสุนันท์พาใครมาวันนี้คุณนุนำไทยเล่นกับพ่อเล่นกับแม่าแคุอไลปทำที่ไหนมออาอไปทั้งแมเอ่อไปที่ลูกชื่อถุนอีกนอืมดีตเพรอนนั้นพ อ, อนมาต้อถามเยอะมากอืม ก็มอจะมองไเรื่องความที่ของตัวเอง็นตลอดมันชักเพ่นมื่อเนเย็นมันก่มกขึ้นะบมันดับดับดับดับลงไปนะครับนก็ต่อมาก็ได้มีการที่เวลาเดนลมพุ่เป็นจิดามแล้วก็หวางเย็นทามรู้สึกปวก็ก็ ที่อยู่นะคะทอนจนะ้ สงสัยเอว่าจะเป็นเพที่เคยทำขนาดที่ที่ตั้งแต่เด็กที่ทำอาจาะจากำกำลังจิตว่าง่าตรงนี้ทว่างเล่าตรนจะโดนงานรืป่าสงสัยเองวัาเปียนทางราช so uh that -huh. ว่าวตานันก็น่แต่เร็งาที่หมดเวลานพอดีค่ะรู้ว่าการทปดตเนี่ยยังเลอนนก็ไม่ความรูสกหแต่ว่าปวดทีดนี้แล้วก็เป็นการขึ้นไประับ้าวมาขึ้นไปรแราวก็ก็ไม่ได้ไม่้ทำอะต่อ เวลาเราศึกษาเนี่ยทางเดินมีเยอะนะเดินตามครูบาอาจารย์ก็เดินไปให้มันสุดสายเลยนะอย่าเปลี่ยนวัดบ่อยๆนะอายนะุเดินไปเถอะทำไปนะมีอะไรก็ถามท่านดูนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบของอาตมานี่คละแบบกันนะของอาตมานี่จะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นธรรมชาติที่ถูกรู้ทั้งหมดเลย นี่ถ้าเราไปรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่าแล้วเนี่ยตัวสําคัญอยู่ที่ว่าจิตจะยินดียินร้ายกับสิ่งนั้นไหมจิตๆๆยินดีร้ายจิตเข้าไปปลุกพันเกาะเกี่ยวมีอาการที่เกิดปวดนะอาการที่เกิดทราบซ้านเกิดอะไรเนี่ยก็เป็นอาการนะนี่ครูบาอาจารย์ท่านอาจจะพาเดินด้วยเทคนิคอะไรพิเศษเฉพาะของท่านก็ได้คือมันเกิดขึ้นเองครูบอาจารย์ไม่ได้สอน สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่เคยเมาพร้มมันเป็นอาการของสมาธิเนียเป็นอาการของสมาธิเ อ, อ, อยจะมาจะลองแยกให้ฟังนะอย่างตอนที่ตาเราเห็นตาเห็นแต่สีเนี่ยนึกออกไหมว่าตรงนั้นเนี่ยไม่มีสุขมีทุกข์อะไรไม่มีนะตรงนั้นไม่มีดีมีชั่วอะไระไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศล ตรงนั้นจริงๆมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าจากขววิญญาณจิตเป็นมิบากจิตตัวหนึ่ง น, นะนี้เราสติเราเร็วเราไประลึกถึงตัวนี้จิตตัวนี้เข้าไดน้นนี้ก็เป็นปัญญาของเราเราเห็นไหมว่าจิตตัวนั้นเกิดขึ้นขณะเดียวแล้วก็ดับน ะ, นะถ้าปัญญาเราทันนะเราก็จะรู้ว่าอ๋อจิตดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปถ้าปัญญาเราไม่ทันเราก็เอ๊ะอะไรอ่ ะ, ะอะไรถ้าจะดี ทำยังไงจะเกิดบ่อยเ น, นี่ยโลภะมันแฝงแต่ ถ, ถ้าถ้าปัญญามันทานตรงนี้จะเห็นว่าโอ้ยจิตดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับจากกูวิญญาณจิตเกิดแล้วก็ดับไปแต่ตอนที่เรารู้ว่าว่าไปเนี่ยเรารู้ตามหลังดวออกไหมเราระลึกได้ทีหลังเนี่ยเพราะว่าจิตดวงที่มาระลึกรู้เนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ตรงจิตที่ไปรู้สีแท้แท้เนี่ยไม่มีปัญญาอะไรนะ เป็นจิตตามธรรมชาติเป็นวิบากจิตเสียงกระทบปั้นสิ่งที่หูรู้คือเสียงเป็นโสตวิญญาณจิตเนี่ยถ้าจิตเราปรุงแต่งต่อสัญญาทำงานมันก็จะไปแปรแล้วเสียงอย่างนี้มันน่าจะเป็นเสียงหน้าตา่างก้วทบกันอย่างนี้เรียการหมายรู้แต่ว่าปั้นลงมาถ้าไม่มีการหมายรู้ต่อรี้จบตรงนี้น ก็จะเสียงกระทบหูเป็นโสตะวิญญาณจิตแล้วจบตรงนั้นไม่ส่งทอดเข้ามาปรุงดีปรุงชั่วอะไรนี่พอเราตั้งแล้วเนี่ยจิตดวงต่อมาของเราเนี้ยเกิดมีปัญญาจำจิตตะกี้ได้เห็นจิตดวงนั้นเกิดแล้วดับไปจิตที่รู้เสียง เ, ยเกิดแล้วดับไปนี่เป็นตัวปัญญาแต่ถ้าตั้งเข้ามารู้ทันว่าเมื่อกี้นี้กระทบเฉยๆอยากให้เป็นอีกจิตมีโลภะ เนะ่จิตมันละเอียดเพราะงั้นมันจะพลิกไปเป็นกุศลก็ได้พลิกไปเป็นอกุศลก็ได้อยู่ที่ความเข้าใจของเราแต่ว่าจงใจได้ไหมจงใจไม่ได้นะอันนี้ส่วนหนึ่งนะนี่เรื่องที่กระทบกระทบอารมณ์อี้นะถามว่าจิตชนิดนี้พิเศษไหมที่ไปเห็นสีได้ยินเสียงตัวจริงไม่ใช่จิตพิเศษอะไรนะถ้าพูดแบบหยาบคายทุกคนมีนะหมาแมวก็มี แต่ว่าหมาแมวขาดปัญญาคนที่ไม่ได้ฝึกขาดปัญญาพอปั้งก็จะจำได้หมายรู้เสียงเขายิงปืนกันสมมติอย่างนี้ใครมาฆ่ากันแถวนี้แล้วตกใจอะไรก็ปลุงต่อถ้าเรามีปัญญาเราปั้งเนาะจิตตัวนี้จิตที่รับรู้เสียงเกิดแล้วดับไปแล้วตอนนี้เป็นจิตที่รู้ทันเป็นจิตที่ชิดมีคนระดวง อ, อันนี้เรื่อง เรื่องยินยานทั้งหลายการปวดตรงเนี้เป็นอาการของสมารถเราเพง่งเราบังคับจิตถ้ามาเป็นตั้งแต่เด็กชอบออกไปดูนูน่นดูนี่ด้วยซ้ำเป็ตั้งแต่เด็ ก, ดกแล้วมาหัดเจริญสติโอ้ปวดอยู่ทั้งหลายปีเนี่ยจะคลายกําหนดคลายคลายคลา ย, คลายไปเรื่อยการกําหนดคลายก็เป็นวิธีของสมถะ นีข้อกําหนดตายไปได้สัน้นสั้นขึ้นมยทำไมสับสั้นได้ต้องทำสมถะนะมันไม่ใช่ตัววิปัสนาแต่ถ้าเรารู้สึกตึงนะรู้ความตึงนะรู้ความทุกข์ของใจรู้ความปวดของกายเราเห็นว่าความปวดตรงนี้ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่กระสับกระสายอยากให้หายปวดก็ไม่ใช่ตัวเรา อันนี้ก็เป็นวิธีของวิปัสสนาเราไปทํามันขึ้นมาเองมันก็เลยปวดบางคนปวดตรงระหว่างคิ้วนี่บางคนปวดคอปวดไหลนะ่แล้วแต่จะไปเพ่งเอาเพีาะงั้นเราก็ดูว่าทําไมเป็นอย่างนี้เป็นเพราะเราไปทําสมถะแล้วแยกแยะให้ออกว่าอันไหนเดินสมถะอันไหนเดินวิปัสสนา อาการแปลกๆทั้งหลายเนี่ยจะไม่เกิดจากวิปัสนาวิปัสนาเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาธรรมดาจนกระทั่งไม่น่าสนใจไม่น่าสนใจเลยตาเห็นรูป<ภ>เห็นเนอะเห็นแล้วยินดีเออรู้ว่ายินดีเห็นแล้วยินร้ายรู้ว่ายินร้ายพอปัญญาแก่กล้าขึ้นอีกตรงที่เห็นรูปปรากฏยังไม่ใช่วิปัสนา เห็นความยินดีปรากฏก็ยังไม่ถึงขั้นมีปรัชนาเป็นแค่อนุปรัสนาตามรู้ตามเห็นรูปธรรมนามธรรมามันจะมาเป็นมิปรัชนาลงมันประกอบด้วยปัญญาขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันจะเห็นว่าโอ้ไอ้นี่มันเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมาไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างความโกรธไม่ใช่เราโกรธนะความโกรธคือความโกรธมันก็เป็นนามธรรมาตัวหนึ่งปรากฏขึ้นมาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์บุคคลอะไรแต่ไม่ใช่คิดนะ ต้รู้สึกเอาวิปัสนาไม่คิดวิปัสนาไม่เพ่งวิปัสนารู้สึกเอตอนขณะที่ส่วนใหนแล้วจะดูเหมือนบมันจะดูควารู้สึกของตัวเองรู้สึกออมเวลาคือคื่เวิงดนืเวลาที่เียบนะรนีถ้าหากว่าเราในขณะที่ใช้ปัน เวล่มีอะไรที่ที่มีมีเหมือนี้นักมนจะทนิ่งมืนนิ่งเหมือนจะรู้จะ้ดีดีนะนี่อยากให้ดีกว่านี้ไหมกระทบปุ๊บอยากให้นิ่งไม่ยากคือเขาเหมือนบว่าตาทำไมทไมมันนิ่งไปนู้ไหมกระทบแล้วนิ่ง เพราะว่าการรู้ของเราเนี่ยยังเกี่ยวด้วยการบังคับอยู่หน่อยสังเกตไหมอย่างจิตใจตอนนี้มันแข็งแข็งอยู่นิดหนึ่งมันไม่ใช่การรู้ที่เป็นธรรมชาติ Kinda, แท้การรู้ของเราเนี่ยยังเกี่ยวด้วยความจงใจรู้อยู่เพราะฉะนั้นการรู้เนี่ยอะไรมากระทบเนี่ยเหมือนกระทบแล้วก็จะหยุดไปเลยกระทบแล้วหยุดไปเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ตรึงจิตของเราให้นิ่งเนี่ยกระทบแล้วเนี่ยอาจจะวั่นไหวอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้ งือนการที่มันกระทบเข้ามาแล้วเรารู้ทันอันนี้ถือว่าดีนะดีดีมากไม่ได้เจตนานจะรู้ทันแต่พอมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาสติทาหน้าที่สติทาหน้าที่รู้นะและ้วก็รู้สิ่งแปลกปลอมต้องนี่พอเราเรึกรู้แล้วเนี่ยจิตที่เคยฝึกนะเคยฝึกฝึกสมาธินั่นแหละจิตนี้จะตั้งปึ๊บหยุด อะไรมากระทบก็ไม่กระเทือนการที่กระทบแล้วไม่กระเทือนเนี่ยมันดีเหมือนกันมันดีในทางสมถะส่วนนี้ศาสนาเนี่ยถ้ากระทบแล้วมันกระเทือนแล้วเราก็รู้ทันว่ามันกระเทือนลองปล่อยไปอีกชั้นเอออออออ่ืืื คือมันจะคลายเร็วคลายช้าไม่เป็นไรนะมันอยู่ที่วิธีการจะใช้คว้าอะไรดีเนาะแต่มาไม่อยากใช้คําว่าคือจิตที่เราฝึกบังคับมันให้มันไม่ไม่หนีไปเที่ยวอะเราฝึกบังคับมันจนชินมันจะแข็งแข็งผิดธรรมชาติไป น, นิดนึง จิตตัวนี้พออะไรมากระทบก็ไม่ค่อยจะ ก, กระเทือนอะ่ะยกเว้นแต่ว่ากระทบแรงมากถึงกระเทือนนิดหน่อยนะสัง เ, เกตไหมว่าจิตที่เราเราทำขณะนี้กับจิตตอนที่เราไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันตรงนี้มีน้ำหนักอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมมีความหนักมีความหน่วงง่วงอยู่นิดหนึ่งนะจิตดวงนี้เนี่ยนักปฏิบัติชอบกันมากเลยนะความจริงไม่ควรจะชอบหรอกเป็นอกุศลจิตชนิดหนึ่งนะ จิตที่เป็นมหากุศุรจิตเนี่ยจะเบานะคล่องแคล่วว่องไวนะเบาอ่อนโยนอันนี้จะแข็งนิดหนึ่งดูออกไหมจิตขนาดนี้แข็งนิดนึ่งเนี่ยเขารู้ทันตรงนี้ตรงไป อ, อ, อ่นะเราฝึกจนชินเราคิดว่าดีเราคิดว่าการที่จิตตั้งไวแง้แข็งๆเนี่ยเรียกว่าจิตตั้งมั่นอันนี้ไม่ใช่จิตตั้งมั่นนี่เป็นจิตที่ถูกบังคับไว้ด้วยสมถะ รู้ว่เขาว่าจะไม่ทำก็จะทำยัองไไม่ทำวิจิตรของอาตมาจะไม่ทําำให้รู้ทันแต่เติมมาเราคิดว่าตัวนี้ดีไงเราก็พยายามถนอมพยายามรักษาจิตดวงนี้ไว้อยู่ที่เรารู้ทันเท่านั้นแหะแม้จิตตอนนี้ดีกว่าตะกี้แล้วแต่ว่าหลงง่ายกว่าตะกี้ ต่กี้ดูเหมือนแบบว่าถ้าตั้งไว้แข็งแข็งดูเหมือนไม่ค่อยหลงความจริงหลงตั้งแต่เริ่มตั้งแนละ้วจิตอย่างนี้ถึงจะดีนะเนี่ยจิตที่รู้สึกตัวไปตามธรรมชาตินะอย่าให้สิ่งแปลกปลอมมันหลอกเรานักปฏิบัตินี่โดนหลอกสาหัดตากา ร, รจิตตั้งและแข็งทื่ออย่างนีน้ถ้าศึกษาพิธามนิดนึงจิตที่แข็งทื่อไม่ใช่กุศลจิตเนปะ็นอกุศลจิตแนละ้วเรามีโลภะราอยากปฏิบัติ นะโยรู้ไหมว่าจิตมันทื่อๆนะท่องไว้เลยนะว่านี่อกุศ ล, ลจิตท่องไว้นะ น, นี่ยไปนึกว่ามันเป็นกุศลเนอะไม่งั้นมันผ่านไม่รอดสักทีเนอะรู้ไหมว่ามันอึดอัดมาจิตที่เป็นกุศลเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีเจตสิกพื้นฐานพวกต่อปีนี้หนึ่งปัจสดทิปัจสดทิสสงบระ ง, งับหมายถึงอะไรมากกระทบแล้วไม่ไม่ต่อความยาวสาความยืด แต่ไม่ใช่แปลว่าห้ามกระตุกกระดิกนะสงบระงับไม่ใช่อะไรมากระทบทําไม่รู้ไม่ชี้ทําแข็งแข็งปึกปึกอยู่นั้นนั้นไม่ใช่ปัดสัตติสงบระงับมากระทบไม่ต่อความยาวสายความยึดกระทบแล้วกระทบเลยเลิกนะมันจะเป็นยังไงเรื่องของมันมันอยากกระเทือนก็เรื่องของมันจิตต้องมีละหุตาความเบาถ้าหนักหนักแล้วก็ผิดละจิตต้องมีมุตุตาคือความอ่อนโยนสละสุลยอ่อนโยน ถ้าแข็งแข็งผิดแล้วเป็นอกุศล น, นะ้วจิตจะต้องมีกรรมันยตามีความคล่องควรแก่การงานควรแก่การงานคือจิตไม่ถูกนิวรณครอบงําไม่ถูกกิเลสตัณหาครอบงําเราลงมือปฏิบัติเราอยากปฏิบัติ้วจิดตดวงนั้นอกุศลแล้วนะต้องรู้ทันอ ย, อยากลองกับตัวเงองป ล, ล่อยให้จิตหลไปตามอยาอ่างมูรคอนะคะ ไม่ได้ฝึกอย่างนั้นนะเราขายแบบดูแค่รู้เรื่องแต่ว่าไม่ได้ไม่เอาไม่เอานะไอะนั่นมันมันมันประดิษฐ์ประดอยปฏิบัตินะแเราเล่นตามธรรมชาติดูละครอุ้ยนางเอกถูกนายอิจฉารังแกแล้วสงสารรู้ว่าสงสารไม่ต้องแกล้งกินนะ ถ้ามันอินเองก็ช่างมันถ้ามันไม่อินอย่าไปน้อมให้อินนะไม่แกล้งไม่ไม่ไม่แกล้งดัดแปลงอะไรเลยอินะู้ว่าอืนอินรู้ว่าอินนะเออไม่เป็นไรไม่ห้ามนะอินรู้ว่าอินแล้วนะพอเห็นนางเอกน่าสงสารรู้สึกสงสารดูให้ดีดูไปเรื่อยๆโอ้สงสารนางเอกไ้ไปม า, มาสงสารตัวเองอีกแล้วเพราะฉันก็นางเอกเหมือนกันนะ เราไปท่องสุขานจิตดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวเขาไม่ได้ดูตัวว่าฉันเป็นนางเอกหรอือ <c oughs> ดูแลจิตเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองจิตอยากจะหายเศร้าหมองรู้ว่าอยากหายเศร้าหมองจิตชอบที่จะเศร้าหมองบางทีเศร้าแล้วรู้สึกมีความสุขลึกๆแต่ ม, มันสะใจลึกๆรู้ทันเลยนี่มายาทั้งนั้นเลย มีหน้าที่รู้ทันเลยลุ้นนางเอกนางอิจฉาแกล้งบ่อยลุ้นลลุ้นมาหลายตอนแล้วก็ยังเสียทีเขาเรียกไอ้งี่เงี้โง่โง่ผิดมนุษย <Yeah. S 1> ์มันนาชักโมโหโมโหรู้ว่าโมโหนี่เรียกว่าดูเปนแต่ไม่ต้องไปแกล้งอินนะแต่ถ้าจิตเขาอินเขรู้ว่าเขายินไม่ต้องห้ามเขาด้วยไม่ต้องแกล้งทําด้วยแล้วการู้ให้ทันด้วยนะเนี่าอย่ารู้ชั้นเดียว อเวลาเขาไปล้าก็จะายเออืม <c oughs> อ้าถ้าตายเห็นรูปไม่สนุกละเหมือนอย่างคนดูมวยดูบอลอย่างเงี้ยนะอยา่าจิตใจเที่ยงธรรมนะมีจิตใจที่เ ท, นะ ท, ที่ยงธรรมดูไม่สนุก <c oughs> ออปล่อยตัวเองออกมาถ้าอยู่วตรึงไว้ให้มันแข็งแข็งนักปฏิบัตินชอบสร้างคุกมาขังใจตนเองให้แข็งแข็งทืง่อๆห้ามกระตุกกระดิกออลำบากเรื่องพิจารณาอีกอย่างหนึง่องอย่าไปคิดพิจารณานะเออมื่อกี้พูดถึงว่าตูหนังแล้วก็ย้อนมาที่ พิจารณาไม่ไม่พิจารณาคําว่าพิจารณาคือคำว่าวิจารณ์การวิจารณนะจิตมันเค้าอยู่กับอารมณ์รู้มันเค้าไปเลยนะหลวงพ่อพุธเคยได้ยินชื่อท่านไหมหลวงพ่อพุทธานิโยเคยสอนบอกว่าพิจารณาก็คือรู้นั่นแหละนะอย่าไปคิดเอานะาคิดแล้วคิดว่าพิจารณาอยู่ความคิดเป็นความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญญาจิตนะมันฟุ้งซ่านมันก็คิดไป แต่ความคิดก็ไม่มีปรมัดอย่าไปนั่งดูตัวความคิดนะแต่ถ้ารู้ว่าคิดเนี่ยใช้ได้รู้ว่าใจแอบไปคิดนึ่ใช้ได้รู้ตัวใจใจเราแอบไปคิดมีปรมันะใจเรื่องที่คิดไม่มีปรมัดเป็นสมมุติบัญญัตินะเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้คิดเรื่องละครนางเอกพระเอกเห็นไหมเนี่ยนางเอกกับพระเอกรักกันแล้วแตชีวิตก็ไม่เที่ยเห็นไหมพระเอกไปอยู่กันนางอิจฉาลว เห็นนางเอกร้องไห้แล้ว อ, อ, อีกตอนหนึ่งไม่ร้องไห้แล้วหัวเราะแล้วคืนดีกันที่เห็นไม่ชีวิตไม่เที่ยงไม่ใช่วิปนะัสสนาอย่างนี้นี่เรื่องคิดคิดเอาลมลมแรงแใครก็คิดได้ <laughs> นะวิปัสสนาดูของจริงดูรูปดูนามดูกายดูใจของจริงๆเห็นนางเอกถูกแกล้งสงสารนี่รู้ทันความสงสารความปดหู่ใจแต่เห็นนางเอกกับพระเอกสมหวังดีใจ หรือว่าดีใจพระเอกเจ้าชูกก้นะเีิดชี้หน้ามันยุให้นางเอกไปได้กับพระรองเนี่ยเขารู้ทันไปเลยเลยชอบทำตัวเป็นพระเจ้าวงการชีวิตคนอื่นยรู้ทันจิตรู้ทันใจตนเอง้เรื่องที่คิดไม่สำคัญอะไรถห้เราเิ็นที่เวลาเอ่อรับอารมณ์มแล้วเขา เฉยๆก็ช่างเขาแต่เราอย่าไปทําให้เขาเฉย น, นะแต่อย่างเมื่อกี้จิตอย่างแค่นี้ตะกี้เนี่ยจำได้ไหมที่มันแข็งแข็งอัอ น, นั้นจิตทําเฉยถ้าอะไรมากระทบก็เฉยหมดเลยแล้วบอกมีอุเบกข า, ก า, า, า, า, า, ญญาไม่ใช่อุเบกขาสังขารุเบกขาเนี่ยอุเบกขาเพราะญาณเพราะปัญญาไม่ใช่อุเบกขาเพราะการบังคับไม่ใช่อุเบกขาเพราะสมถะ แต่อุเบกขาพระปัญญาเห็นว่าดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสุขทุกข์ก็ไม่เที่ยงเห็นอย่างนี้ จอนีค่ะพอเราได้ขาเนเราก็มองคือพอมีตัวงอคือิองรู้สึกเฉยๆตอนแรกเยแล้วต่อมามันก็มีความรู้สึกสดมันสลดสลดุดๆสุดรู้ว่าสลดเคอนะออนของคุณนะตอนนี้เรื่องอื่นช่างมันนะจัดการเรื่องหนึ่งก่อน เรื่องทำเฉยอะตรงที่สงสัยว่าเราทำใจเพาะมัธรรมชาติหรือว่ า, า, วาเรา ส, ส, สนใจสงสัยรู้ว่าสงสัยเลยสงสัยเป็นอารมณ์ปัจจุบันนะใช่เป็นอดีตนะความจริงความเมตตาของผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติถูกมันมีแต่อุเบกขามันก็มตีตอนไหนควรจะเมตตาก็เมตตาตอนไหนอุเบกขาต้องวิกขาแแล้วจิตเขาเดินเขาเอง เราไม่ได้ห้ามแต่ที่สำคัญอย่าทำให้มันแข็งแข็งอย่างนี้นะอย่าไปฝึกจนเคยชินนะแล้วมันทำที่ศาสนาแท้ๆไม่ได้หรอกมันนิ่งหมดอะไรก็ทบก็เฉยอะไรก็ทบก็เฉยนะเดี๋ยวรเราเล่กกันก่อน